س د على آ ث ا ر ه ما قصص قال فوجد عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه رح. ما م ن عندنا وعلمناهم لدنّا علما قال لهم و س ى هل تبعوك؟ อาลัَอัน م ัวอัลลิมานีมิมมาอัลลิมทารุษฎากล่าวอินนักเล่นทัศตัตติยาแม่ยศบราัสมัลลอฮุราะห์มะนุ อินนัลฮะมดุลิลลาห์นะฮ์มดุห์ ونستعينه ونستغفرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له, له وأشهد أن لا إله إلا الله و د ه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله Allahumma bika asbahna wa bika amzaina wa bika nahiya wa bika namutu wa ilaika nusur Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta Khalik ta kh ni wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'hdika mustatagtu Abu ula ka bini amati ka alaiya wa Abu bidhambi ฟ ف ฟิร์ลี فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ِ من شر ما خلّف أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ِ من شر ما خ ل ّ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سميع العليم. رضيت بالله رب و بالإسلام دينا. วบิมูฮัมมัดอิลลัสละซุลแลมอกุมบรหัมตุลลอฮิวบรากาตุ์พ <English ugh> ี่น <NAS S 1> ้องที <im pe professionals> ่ร่วมนมาศหรือว่านมาศปรจรที่รักทั้งหลายกับประหัมดุลิละขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวตาลที่อัลลอ์ให้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่น้องการตื่นตอนเช้าเช้านี่มาถึงงาน ไม่ทำกันง่ายๆนะงั้นหนักถ้าไม่ฝึกเนี่ยตื่นไม่ไหวท่านเราต้องขอบคุณอัลลอ์ด้วยกล่าวว่าอางนี้อัลฮัมดุลิลลา์บนที่นอนอัลฮัมด ah ma ุลิลลาฮิลลัลลอัฮียานะบะดามะอามัตานะไวไลฮินมุชูนที่เป็นตัวอาที่ท่านนาบีสอนให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลก อ่านอุามบทนี้บนที่นอนอัลฮัมดุลิลละแปลว่าอะไรฉันขอบคุณอัลลอ์หรือว่าสรรเสริญต่ออัลลอฮ์หรือว่าการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์อัลลอีอาห์ยานาผู้ที่ให้ฉันเนี่ยตื่นขึ้นมาให้มีชีวิตขึ้นมาบาดามาอามาตนะหลังจากที่อัลลอฮ์ทำให้เราตายไปเนี่ยทำให้เราเข้าใจอ่ะ ดูอ่านู่สอนเรานะคนที่นอนอยู่บนที่นอนเนี่ยล้วก็หลับไปอ่ะหนึ่งเป็นการพักผ่อนสองเป็นความตายเพื่อจะเตือนเราให้รู้ว่าคนที่ตายกับคนที่นอนเนี่ยสภาพเหมือนกันสภาพเดียวกันแล้ววิญญาณออกจากร่าง้วยนะตอนตอนเราตอนอไรนะวิญญาณออกแต่ว่าความความรู้สึกไม่ได้ออก ยังยงรู้สึกอยู่และสังเกตถ้านันนึกถ้าไปศึกษาเรื่องการนอนหลับอย่างเดียวเนี่ยจะมีข้อมูลจากฮะดีษเนี่ยเยอะพอสมควรวิญญาณไปไหนตอนนอนวิญญาณไปไหนวิญญาณของผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์เนี่ยจะขึ้นไปเข้าฝ้าอลัลลอฮ์ไปสุดหยุดที่บลังอัลล์ มันวิญญาณของมุมินวิญญาณของคนซอละมันมีอยู่สกลุ่มนะอัลอัมบียากลุ่มนบีกลุ่มชูฮัดาซิดดีกีนซาลีไฮนทั้งสี่กลุ่มนี่นะเขาทำอะไรกันอัลลอฮ์ส่งมาทำอะไรอัลอัมบียาเนี่ยกลุ่มมันจิตเป็นนบีทั้งหมดทดี๋ยวทงานศาสนาซิดดีกินก็ทํางานศาสนา อัลซอลีฮีนคนซอแรกก็ทำงานศาสนาวัชชูฮดเาคนที่เสียชีวิตในสนามรบเนะ่ะเขาเอาชีวิตตองเขาไปปลูกป้องอะไรศาสนาตัวรกว่สีกลุ่มเนี่ยทำงานศาสนาหมดเลยเนะ่แสดงว่างานเนี่ยสีกลุ่มเนี่ยที่เราบอกว่าสี่กลุ่มเนี่มาจากไหนอะ่ะเวลาเราขอดูอ่าต่ออัลลอ สร้างติพานิสรัต ا ล ذ ي ن อ ن ع م ت عليهم อัลลอฮ์โปรดชี้ทางนำที่ถูกต้องทางนำที่อนนมตาเลยหิมทางนำที่ท่านได้โปรดปรานให้แก่เขาเหล่านั้นทางนำที่คนสี่กลุ่มได้รับนะ่กลุ่มไหนอัมบียาซิดดีกีน แล้วก็ซาลีฮินชูฮดาชูฮดาและศอลีฮินมิยุสิกุมถามว่าสิกุมลนีอัลลอฮ์ส่งมาทําอะไรทํางานศาสนาหมดเลยอัชูฮดาสรงมาทําอะไรอ่ะส่งมาปกป้องศาสนาเนี่ยฉันคนที่สมัครน่ยสมัครไปรบกับคนศัตรูกับยิวูดีนัสโ ร, รณีที่ทํางานที่ทําลายอิสลามอ่ะพวกนี้ตายเสีิดหมด พอตาเฉียดเหรเป็นไงหัวใจของเขาอยู่กับอัลลอฮ์ฉะนั้นเราเองวันนี้เราก็มองเราเนี่ยเป็นคนซอแระนะคนอิมานมาถ้าเวลาอา่อานอ่านกุงอานซิกรุลรอบาปไม่ทําทำแต่เรื่องดีๆทั้งหมดเนี่นะเราอยากจะเป็นคนซอแรนะก็ขอทูอ่าตลอดให้กลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนซอแรและคนที่ชมรายการตัดฟิสเช้าๆนี่ที่ทั่วประเทศนะมีเป็นล้านกวา่าเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะ ขอให้เป็นคนซอนแล้วให้หมดท่านคนที่สอนแล้วก็คือคนที่เอาเวลามาดูแลงานาศาสนาของ Allah ดูแลตัวเองด้วยดูแลครอบครัวดูแลญาติพี่น้องคนเป็นคนซอนหละที่นี้ <c oughs> ผมบอกกับท่านพี่น้องว่าตื่นมาซูบโบเชา้าๆเนี่ยไม่ใช่งานเบาหรอกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยตื่นไม่ไววนะเอา้าท่านานานๆตื่นที่นะไหวไหมนะ่ะ รอว่าฉะนั้นคนที่ลุกขึ้นมานมาซูโบได้เนี่ยแล้วมาจับกุรอานเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยเอ้าวคือน้องสังเกตนะคนที่นามาดแล้วก็ไม่ไม่ใส่ใจเรื่องการศึกษากับคนที่นามาดแล้วก็ให้เวลากับการอ่านอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยถามว่าสองกลุ่มเนี่ยที่เป็นมุสลิมด้วยกันนี่แหละใครดีกว่ากันคนที่นามา หลังนะามาเน่จะเอาจะจับคุรอ่านขึ้นมาอา่านแล้วก็รู้ความหมายของมันด้วยวันสักหนึ่งอายะสองอายะเราได้กี่อายะสี่สามอายะสี่อายะยังมากก็ห้าอายะเท่า น, นั้นเองนี่ก็ชั่วโมงแล้วนะอธิบายเล็กอธิบายไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะพี่น้องใช้เวลาอาทิตย์ละชั่วโมง ฉะนั้นคนที่รักษานามาให้เวลาแล้วก็ยังรักษาอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานมีได้ได้สองอย่างนะได้ผลบุญด้วยมีหนังสืออยู่ล่มเล่มเดียวในโลกนี้ที่อ่านแล้วได้ผลบุญอ่านฮะดีสก็ไม่ได้ผลบุญนะเนี่ยเขาเรียอิหม่าบุคารีมาอ่านิหม่ามุสลิมติดมิรีนัสอีอิบนุมาจา มือรวยมาเกิดหนังสือบัตรดมบัรดอรบัตรดันจีอะไรก็ตามแต่จะไม่มีผลล บ, บุญนี่ไอความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเราอีกจํานวนไม่ น, อน้อยยังเข้าใจว่าอ่านหนังสือบัตรดันจีเนี่ยได้ผล บ, บุญสังเกตหนังสือบัตดัญจีเนี่ยเขาวางไว้บนหมอนใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรมาทับเลยนะแต่กุูอ่านเนี๋ยวบางทียังทับ่ะ แต่บันจญญีนี่ โ, โหวางไว้อย่างดีเข้าใจผิดทั้งหมดบสเจนจีเป็นเป็นกุรอ่านหรือเปล่าไม่ใช่ใครแต่งคนอยู่ประเทศไหนอียิปต์คนอียิปต์อบูซรีเป็นคนแต่งฉะนั้นพี่น้องเราเนี่ยเราคุยกัน e ร p เ c คให้เกียรติกับบสเจนจียิ่งกว่าคำพี่กุรอ่านอีกถามว่าถ้าเราเข้าใจกันแบบนี้แต่ดีนี้ทัมบินล้วเข้าใจกันเยอะแล้ว นะฉะนั้นบนโลกดุนยาใบนี้คัมภี อ, อัลกุรอานสำคัญที่สุดอ่านแล้วได้ผลบุญยังรู้ความหมายกับมันอีกอัลฮัมดุลิละอย่างวันนี้ผู้เรื่องนบีมูซากับนบีอะไรนะขอดิฟนบีขอดิฟก่อนหน้านี้พี่น้องขอฝากให้กำลังใจท่านพี่น้องนะ คือของที่เราอ่านอ่านมาถ้าเราจํานะได้ประโยชน์เยอะมากเลยผมขอเล่าเรื่องเก่านินนดหน่อยนะคนที่เลวที่สุดคนที่อาธรรมที่สุดคนที่ชั่วที่สุดอย่าไปมองคนอื่นมองดูตัวเองะนะอัลลอตฺอาลาสั่บอกว่าเวลาอัลกุรอานนําเสนออะไรก็ตามนะคนที่ชั่วก็คือไม่อยู่ห้าลักษณะ คนชั่วคนเลวเน่เวลาอัลกุรอานถูกนำเสนอใช่ไหมจะปฏิบัติห้ารายการคนที่มีห้ารายการนี่ถือว่าเป็นคนเลวมากเลยก็ที่หนึ่งอ้าเราดอันฮาในกรุรอานอายาที่หนะ้าสิบเจ็ดนุนน้องขอฝากไว้ด้วยนะไปทบทวนตรงนั้นนะนะอายาที่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยว่ามันอัลมุมิมมันซุกิรอบีแติรอบบิฮีนี่ขอทบทวนเรื่องเก่านิดนึง ใครเล่าที่จะอาธรรมเขาว่าอาธรรมไหนถึงเลวสุดๆแล้วก็ชั่วที่สุดแล้วก็จะคนซ้อนแหลมคนที่ทําลายตัวเองใช่ไหมแล้วก็ยิ่งทําลายสังคมทําลายญาติพี่น้องทําลายครอบครัวตัวเองอะ่ะโดยไม่รู้สึกตัวน่ะหนึ่งฝ้ารบออันฮะเมื่ออัลกุรอานถูกนําเสนอมาเนี่ยไม่สนใจไม่สนใจ ทีละครมาแล้วโอ้โหขาดไม่ได้ติดตามในตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สมตอนที่สี่โอ้ติดตามกันใช่ไหมแต่กุรานไม่สนนี่แหละคือความหายะนะ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งตัวเองไม่รู้สึกน ะ, ะเราบอกอัานคาหันหลังให้กับหรือว่าเมินหันห่างหันห่างหันหลังให้กับอัลกรุรอานอ่านก็ไม่อ่านจับก็ไม่จับนะ แต่บัณฑิีนี่จับบ่อยมากเลยนะเพราะเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์ประโยชน์มีผลบุญเยอะใช่ไหมอ่านแล้วกตองคนตายได้ประโยชน์คิดผิดทั้งหมดเลยพี่น้องอ่านกุรานอย่างเดียวศึกษาหาความรู้จากกุรานอย่างเดียวนี่แหละได้ประโยชน์สุดๆเลยข้อที่หนึ่งอ้เราต้องอ่าออนหาข้อที่สองนาซียามาก็ดามาจียาเดาคนที่ไม่อ่านกุรานเลยนะี่นะเขาจะลืม ตัวเองว่าทำความชั่วอะไรไว้บ้างลืมสิ่งที่เขาทำเอาไว้เรื่องบาปบาปบาปบาปบบอ่านไปต้องสังเกตุคนที่กลับเมื่อกลับตัวเนี่ยจะกลับตัวอร่อยที่สุดก็ตอนที่เขาสำนึกถึงบาปของตัวเองมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยอย่าเล่าออกมาจากไหนนะขับรถมาจากต่างจังหวัดพาลูกมาด้วย ภรรยามาด้วยขับรถมาจากต่างจังหวัดมาพบกับผมมาตาบ้าตัวแต่ว่าการตาบ้าตัวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อิสลามที่ถูกการตาบ้าตัวระหว่างเขากับใครกับอัลลอฮ์เอาแล้วไม่ปไปไดนะั่งมึงมาแล้วก็จะคุยให้ฟังนะการเตาบ้าตัวเนี่ยก็คือ ท่านกับอัลลอฮ์คนนั้นเองแต่ี้ก่อนเจอตาบาตัวไว้ทําไงไปอาบน้ำอาบน้ำนมาดแปลงฟันให้เรียบร้อยยิ่งมามัสยิดได้ยิ่งดีใหญ่มากคนเดียวนะมานมาดแต่มัสยิดสักสองเราก็อัดหรือสี่เรกาก็อัแล้วก็นึกถึงความผิดในอดีตฉะนั้นคนที่มีความผิดนะ่ะแล้วก็สํานึกผิดนะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเตาบาตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่ยิ่งดีใหญ่ เมื่อเตาบาตัวแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งคนตาบาตัวต้องมีสามสามรายการนะหนึ่งเสียใจข้อที่สองถอนตัวออกจากความผิดอันนั้นอันที่สามไม่หวนกลับไปทําความผิดเหมือนเดิมตาบาตัวต้องประกอบไปด้วยสิ่งสามรายการทีนี้วานาซียมากอดามาเทยเดอเขาลืมความผิดที่เขาได้สร้างเอาไว้ การไม่อ่านอัลกุรอานอย่างเดียวทำให้เขาไม่นึกถึงความชั่วที่เขาทำอาไว้เพราะอ่านกุรอานเนี่ยสอนให้เรานึกถึงตัวเราในอดีตที่ผ่านมาโอ้นี่ไม่เห็นอย่างประโยชน์จะอ่านกุราอานเยอะมากเลยข้อที่สามอินน่าเจลนาอัลกุลูบิหิมอัคินนตันอิยักแท้จริงคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานไม่สนใจกุรอานเนี่ยเราจะ ทำให้หัวใจของเขากับอัลกุรานนั้นมีม่านกัน้นเอาไว้จะ ก, กัน้นเงี้ยฝั่งนู้นก็มองไม่เห็นไอคนตรงนู้นมองฝั่งนี้ก็ไม่เห็นเนี่ยม่านกั้นเข้าใจง่ายปิดระว่างอะไรหัวใจกับอัลกุรานแย่นะแต่นี่คงคุยกับยอบผมก่อนยอตายยอบอกว่าคนที่ไม่เห็นไม่สนใจกูอ่านสบาย มันสบายมันนึกว่ากูนี่แจ๋วแล้วพออ่านกูอ่านปั๊บเด็กกูนี่บาปเต็มเลยอ่ะถ้าไม่อ่านกูอ่านเด็กกูนี่ลอยลำแล้วนะพออ่านกูอ่านปั๊บเนี่ยกลัวหมดเลยโอนโรตัวเองเนี่ยขาดนามาศอะไรทุสินโอทำดินาทำบาปเพราะกูอ่านเนี่ยสอนให้นึกถึงบาปในอดีตเห็นไหมถ้าไม่อ่านกูอ่านสบายไหมสบายกูเนี่ยอร่อยเลย เรามองดูตัวเองกันเด่นกว่าคนอื่นทั้งหมดนะเพราะอ่านกุรานปั๊บไม่ใช่กรุารานสอนให้นึกถึงอดีตบาปในอดีต ท, ท, ท, ที่เกิดทำม า, าต่อมาวาฟีอา่านิฮิมวะกโรแล้วก็หูนวกคำว่านวกหมายความว่ามันจะโง่จริงๆนะฟังกรุารานก็ไม่เข้าใจฟังเพลงยืนฟังเพลงได้แต่ยืนฟังกรุารานไม่ได้ นี่บ้านบ้านบ้านคนแขกนี่แหละไม่ใช่บ้านที่ไหนหรอกนะอันทีนี้นี่ข้อที่ห้านะข้อที่สี่ว่าอินตาเดอฮูมีลาหูเดอแต่หากว่าท่านนี่นะนี่อัลลอฮ์บอกกับมุฮัมมัดถ้าท่านจะไปเชิญชวนคนที่เป็นคนแขกนี่แหละที่ไม่เอาอุปราชไม่เอาศาสนาไม่เอาสุนนนะเบเชิญพวกเขาพวกเขาก็ไม่อยู่ในทางเนะขาปฏิเสธอลลอฮ์เห็นไหม ฟลัยยาตาดูอีดันอาบดาพวกเขาก็จะมาอยู่ในทางนำเลยปฏิเสธไม่เอานี่คือผลร้ายของคนที่ไม่สนใจอัลกุรอานแต่พวกเราเฮาทำจริงแล้วมีอีกคำหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะประวิงเวลา ภาษานี่มีอยู่คำนะอัลลอฮฺประวิงเวลาอายาที่58เนี่ยพี่น้องนะอัลลอฮห้าละม์ละะละละละลาอัจจัลละหุมุลอัจบัลละหุมเม้าไออัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษเนี่ยพี่น้องเราต้องนึกนะนึกถึงคำนี้เยอะๆเราทำความผิดวันนี้ อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษทั้งว่าดีหรือไม่ดีดีมากๆเลยเราเนี่ยไม่เหมือนกับคนในยุคก่อนคนยุคก่อนเวลาทำผิดปั๊บเนี่อัลลอ์เปิดเวลานิดเล็ก ๆ, ๆน้อยทำไม่ตาบ้าตัวอัลลอ์เล่นงานเลยแต่คนในยุคนี้อัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้เอาเปเปิดไปเปิดโอกาสใช่ไหม าการประวินเวลานั้นสําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้สงรายการหนึ่งทำให้เขาได้มีโอกาสได้กลับมาเรียนศาสนาแล้วก็เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ในข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองถ้าหากไม่สนใจเลยหันหลังให้กับศาสนาเท่ากับเป็นการสะสมความชั่วให้กับตัวเองสะสมความชั่วดีคนมันสะสมของดีๆใช่ไหม สะสมเงินดีไหมดีสะสมความดีดีไหมดีแต่ถ้าหากไม่ตบ้าตัวอัวลลอน์่ะสะสมอะไรสะสมความชั่วเห็นไหมเพราะสะสมความชั่วหูกหนวกตาไปมองอะไรไม่เห็นอร่อยอยู่กับการร้องเพลงอร่อยอยู่กับการเล่นดนตรีอร่อยอยู่กับการฟังเพลงอร่อยอยู่ ก, การทำซินาอร่อยหมดเลยแต่อีกฟังอีกฟังหนึ่งฝังที่พูดศรัทธาต่ออัลล อ่านคัรอานเยอะๆเห็นแล้วก็สงสารอัลลอฮ์นี่มันผิดตัวนี่ผิดเอ้ยนี่ผิดเป็นห่วงดันั้น อ, อ่านคัอภีร์จะทำดีเลยอัลลอฮ์ให้ข้ออะไรนะความประเสริฐอันอยิ่งใหญ่ครั้ที่แล้วเราอ่านอีกแล้วพบอีกว่าใครที่ท่องจำหรือคนที่นับสิบาตของอัลลอฮ์อ้าวสิบารมีเท่าไหร่ไม่ใช่ยี่สบนะ99พระนามไม่ใช่ยี่สิบ อัลลอฮ์ครูเราก็ยังท่องมายี่สิบนะยังเหลืออีกเท่าไรยังเหลืออีกเจ7ดอีก <c oughs> <c oughs> 77. 77 79อะไรพวกนี้นะได้มายี่สิบเรายล่ละแต่ถูกไม่ไม่ถูกฉะนั้นสิฟัดของอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามหะดิษสอนอย่างนี้อินนัลลอฮฺฮะจาราติสอาตันวะติสายนาอิสมันนามของอัลลอฮ์มีทั้งหมด 199กาเพระนามท่นที่บ้านมุสลิมเนี่ยควรจะมีอัสมาอุลฮุสนาใสากรอบเอาไว้แล้วก็ให้มันตัวโตๆอย่าให้ตัวมเมล็กมองๆดูมืนจะเป็นยันหรือเปล่ามันไม่ใช่นะใส่กรอบเพื่อเราลูกก็จะได้อาานเนี่ยเห็นไหมมีสิฟัตอะไรบ้างพยายามอ่านทวันทุวันวันทวันทวันมันอัลฮานาบีวกใครที่ ท่องจำมันหรืออ่านทบทวนมันดูกระทังจำเลยนะดะคอรัลจันนะเข้าสวรรค์นะเนี่ยคดีววเขาไม่มาบุคอรีนะนะไม่แก้หเดี๋ยนี้ไม่แก้กน บ, บีพูดจริงๆจ้งจใครที่ท่องจำอัสมาอุลฮุสนาพระนามของอัลลอฮ์นะครับ99พระนามอัลลอฮ์ะดะคอรัลจันนะเขาได้สวรรค์เราจะให้เข้าวสวรรค์ทีนี้ แล้วก็ต้องรู้ความหมายที่เราอ่านด้วยอ่เอาสิฟาตนี้แปลว่าอะไรสิฟาตนี้หมายหมายความว่าอะไรแล้วเราเชื่อไหมล่ะเอาสิฟัตเหล่านั้นมาไว้ในตัวเราบ้างอย่งอางอะเราให้มุอลอัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาก็ต้องเมตตาคนเมตตาสัตว์เมตตาภรรยาเมตตาสงสารลูกต้องนึกอลัลลอฮ์ให้อภัยแล้วก็ให้อภัยคนน่ะ อาคนนี้ดาเราหมันไสเราสำหรับอะไ้กุ้งไหนไปไดเอาคิณัตร์ของอัลลอฮ์เนี่ยมาอธิบายให้กับตัวเองแล้วก็มาท่องจาอีกเยอะๆไปด้วทั้งหลายอ้าวนี่ผมขอทบทวนเรื่องเรื่องเรืนะ่องเก่าๆนายไปนองอัตวามาอายาววันนี้นะอายุเทาที่หกสิบสามอล่อรออิด إذ أ و ي ن ا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فوما أ ن س ا ن ي ه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ก็แปลว่าเขาพูดใครพูดถ้าอ่านมาจากครั้งที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าคนชายของนบีมูซาเด็กหนุ่มเนี่ยที่เดินทางไปกับนบีมูซาเนี่ยพูดพูดว่าไงอิสอารอไอตท่านไม่ได้เห็นดอกหรืออารอไอแตคือเป็นอย่างนี้นบีมูซาเนี่ยขอขออาหาร หลังจากเดินทางไปแล้วก็เหนื่อยนะครับเดินทางเนี่ยในระหว่างการเดินทางเนี่ยพบกับความเหนื่อยพอเหนื่อยก็ไปพักแล้วก็บอกกับเด็กหนุ่มคนที่เดินทางร่วมเดินทางไปด้วยกันว่าฉันเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยอุลมามะเขาแนะนําบอกว่าการที่เราคุยว่าหรือเล่าสวัชฉันเหนื่อยฉันลําบากเนี่ยอนุญาตให้ทําได้ อ่าเราให้เมียฟังแม่โเดินทางครั้งนี้ออลลอเหนื่อยน้าดูเลยได้ไหมได้กณอ่านอายะนี้อายะที่62สบสองอ่ะฟลัมมาจาวาซากอลลิตูอาตินากรดาอาโปรดนํเอาอาหารมาให้ฉันกินหน่อยลากรดลยานามินซฟารนาฮาาซบาเรารู้สึกเพลีย์ด้วยการเดินทางนี้ของเรา เล่าเรื่องการเดินทางบ่รู้สึกเครียร์รู้สึกเหนื่อยเล่าให้คนอื่นฟังได้ไหมได้หลักฐานต้องนะั่นี่ไงอาญนี้อัต่อมาอาญะหกสิบสามกอแล้วอะรอไอแต่ 63. คนชายบอกว่าท่านไม่ได้เห็นดอกหรืออินอาไวนาอิลสอกโรติเมื่อเราพักอยู่ที่ที่ชะ ง, ง่อนหินที่มีหินอยู่ใช่ไมตรงนั้นน่ะที่เราไปนอนพักอยู่นี่นะ ที่เชงอ่นของหินฝ่อินนีและแท้จึงเนี่ยฉันนาซีตุฉันลืมลืมเอ่ยเรื่องปลานาซีตุลทูดฉันลืมเอ่ยเรื่องปลาคือเรื่องเรื่องปลาเนมีอยู่สามเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งปลาที่นบีมูซากับเด็กหนุ่มที่พามาจากบ้านนั้นเป็นปลาที่ใส่เกลือเป็นปลาที่ใส่เกลือนะ แล้วก็ทงทอดมาเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะกินได้เลยเรียบดีบถุอพร้อมที่จะกินใส่บินโตมาว่ายางไงถือมาอย่างนั้นแหละพอ ม, มาถึงที่อัลลอฮแนะบอกว่าถ้าคุณไปถึงเดินทางไปถึงมัชมาอัลบาฮรอยนี่เป็นที่ชุมทางแห่งสองทะเลคุณจะพบกับคนที่มีความรู้มากกว่าคุณ คือไปพบกับนบีคอดิสก็เดินทางกันมาสองคนนั้นพอมาถึงมัชมาอันบารอยนที่ชุมทางแห่งสงทะเลเขาก็พักกันตรงนั้นสองคนเนี่ยนอนพักเอาหัวพิงหินเ่ะช่น้องพอพิ ง, พงหินเสร็จแล้วเนี่ยอาหารเด็กหนุ่มถือมาเด็กหนุ่มเนีน่เห็นปลาที่ถือมานี่นะมีชีวิตมันฟื้นขึ้น อัลลอฮ์นี่เป็นอะไรนี่เป็นมุอะจิาะของอัลลอ์นะต้องการจะสอนอะไรละหลายๆอย่างนะครับปลามากกฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นเนี่ยมันก็หุดดิ้นน่ะวิ่งหาทางลมทะเลเด็กหนุม่มคนนี้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดลืมลืมเล่าอ่าลืมเล่าฟานาอินนีนาซีตุลฮูตะฉันลืมพูดเรื่องปลาคำว่าพูดไม่มี อินนีนาซีตุลหุชันลืมปลาท่นนี้อุลมะค์อธิบายดีนครับว่าลืมปลาหมายถึงลืมเล่าเรื่องปลาให้ท่านฟังเล่ายัางไงข้อที่หนึ่งปลานี่ฟื้นมีชีวิตดิน้นปรับปรบปร ป, ร ป, รปรลงทะเลไปเลยอันที่สองอะไรนะมันแปลกมันแปลกมากฟื้นได้ยังไงอะ และอันที่สามลืมเล่าให้ท่านฟังสามเรื่องนะหนึ่งปลาที่หิ้วมาจากบ้านนี่นะมันเป็นปลาทิศใส่เกลือมาทอดมาเรียบร้อยหอมาอย่างดีมาเป็นอาหารพอมาถึงตรงนั้นฉันก็ลืมเล่าให้ท่านฟังปลามันฟืนขึ้นมามันก็ดิ้นลงทะเลไปข้อที่สองแปลกมากๆลืมเล่าอีก ข้อที่สามลืมบอกท่านอีกกลายเป็นสามเรื่องด้วยกันทีนี้ <c oughs> ใครทำให้เราลืมดูสิดูสิดูสิสาการลืมทั้งหมดนั้นเรื่องดีั้ยไม่ดีนี่คุอณอ่านสอนเราว่ามาอันซานีหูแต่แท้จริงและไม่มีผู้ใดนอกจากชายตอนที่ทำให้ฉันลืมเอ่ยมันเห็นไหม เห็นอย่างเนี่ยคนเนี่ยนะคนดีนี่นะเวลาจะโยงในเรื่องไม่ดีเนี่ยโยงกับใครโยงกับชายตอนถามว่าเราเคยโยนตกกับชายตอนไปไหมคอยเยิงกับชายตอนไหมฉะนั้นการโยงกับชายตอนเรื่องไเวลาจะพูดเรื่องของไม่ดีพยายามโยงกับชายตอนนี่แหละสอนอักดีดาของพวกเราวันนี้ท่านคนที่อ่าน อ, าอัลกุรอานวันนี้ต้องนึกเนี่ย พออ่านอุเรียนปั๊บได้ข้อมูลเยอะเลยเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่ดีชื่อยูชะบินนูนเป็นคนรับใช้ท่านนบีมูซา<ม>เดินทางไปด้วยกันคอยหิ้วปลาไปคนนี้เป็นคนดีเพราะอยู่กับนบีใช่ไหยเวลาโยงเรื่องไม่ดีเนี่ยจะไม่ด่าใครจะไม่ตําหนิใครฉันอัลลอฮ์ชัยตอนทําให้ฉันลืมเอ่ยเรื่องปลา ให้ท่านฟังทีนี้ถ้าเออเรื่องดีๆน่ะถ้าเอยเรื่องดีถ้าพูดเรื่องดียองกับใครนี่พอรู้ใช่ไหมโยงกับใครนะโยงกับอัลลอฮ์สุาาบฮานุลลอฮ์ถามว่ามีตัวอย่างในกัมิร์คุรอ่านไหมเยอะเลยเอาผมขอยกสักสามสี่รายการนะเรื่องดีมาจากอัลลอ์เรื่องไม่ดีมาจากใส่ต่ออะกุรวานตรงไห น, น อายะอสุรยูซุฟนะอายะที่หนึ่งเนี่ยกอลยาอาบัตินี่นาบียูซุฟเล่านะฮะดาตาวิลุรอยยมิกอบลคุณพ่อพ่อจะที่ลูกฝันนี่เราจนนานบียูซุฟนะนี่ยนบียูซุฟฝันตอนเล็กๆใช่ไหมล่ะว่ามีดวงอาทิตย์ดวงจันมากราบแล้วก็มีอะไรนะมีดาวเนี่ยสิดวงมากราบใช่ม เล่าให้พ่อฟังอ่ะก็เจะ้อะาลาัฮ์รอบบีฮักโกพระผู้อภิบาลของฉันเนี่ยเป็นทําให้ฉันได้เห็นความสมจริงทั้งหมดเลยเห็นไหมเอยถึงใครเออถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันได้พบเห็นของจริงหมดเลยฝันมายัางไงเห็นหมดเลยนั่นตัวอย่างจากคัีกุรอานก็เจ้าอาลาัฮ์รอบบีฮักกอ ที่ฉันฝันมานั้นอัลลอ์เห็นไหมเขาไม่ทิ้งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำให้ฉันได้เห็นของจริงทุกประการเราก็เหมือนกันคุยกับเมียฟังหรือคุยกับญาติพี่น้องเราขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้ฉันตื่นมานมาสุโบมาเช้านี้่ล้วก็เดินมามัสยิด ต, ต้องพูดอย่างนี้อย่าพูดว่าฉันนี่นะออกกำลังกายแข็งแรงเก่งหน้าดูเลยตื่นนมาสุโบไม่เอยอัลลอฮ์สักคหนึ่ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จากนั้นของดีๆต้องโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาูตล拉ของไม่ดีโยงกับใครใช่ปอนี่เป็นตัวอย่างอ่ะข้อที่สองวกดอัลฮ์ Allah, เนี่ยพระองค์เนี่ยได้ทรงโปรดปานฉันเห็นไหมอิดอัครลอญีมินัสยญีพระองค์ได้ทรงทำให้ฉันออกจากคุกเห็นไหท่านพี่น้องที่ออกจากคุกเนี่ย วิ่งเต้นตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่ให้ออกคืออัลลอฮ์สุบฮานาะอูวาตาลโยงกับอัลลอ์เรื่องดีๆโยงกับอัลลอ์เนี่ยสอนใจเราพี่น้องออกจากคุกมันจะออกกันง่ายๆเราคุกไหนพี่น้องขนานดะเขาจะให้มันยังขวางกันเลยเนี่ยนี่อันนี้แต่การเมืองนิดนึงเห็นไหมขออภาาัยยกเข่งหรือไม่ยกเข่งสุดซอยหรือว่าไม่สุดซอยอันนี้ก็ว่ากันไปพี่น้อง ทีนี้นบียูซุฟนี่นะออกจากคุกโยกกายโยกกับอัลลอ์อัครราานีมินัสซนีอัลลอฮ์ทให้ฉันออกจากคุกเห็นไหมว่าจะอาบิกุมมินันบัดมิมบาดอันนัสกุชัยตอหนูใบนีว่าบนาอิควาตีและพี่น้องสิบกว่าคนเนี่ยเดินทางมาจากบ้านนอกเข้ามาหานบียูซุฟที่เมือง หยิบหลังจากที่ชัยตอนทำให้เราทะเลาะกันให่ไหมเออถึงใครเออถึงชส่ตอนทำไมล่ะก็พี่น้องวางแผนช้ยชัยตอนวางแผนให้พี่น้องเนี่ยจับมือโยนใส่โยใส่บอ่อาจากบ่อก็เอาขึ้นมาโอ้พี่น้องอ่านประวัติศาสตร์ผ่านมาแล้วใช่ไหม ย, ยาวท่านสรุปว่างไงนะ อันนาซอร์ชายตอนชัยตอนทําให้ตัวฉันกับพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันจับฉันลงบอ่อโยนใส่บอ่อฉันก็มาเป็นเนี่ยเรื่องจริงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอํานาจหน้าที่ในการงานแต่พวกท่านมาขออาหารฉันหลังจากที่ฉันกับพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันขัดแย้งกันใครทำชายตอนใช่ไหมกูน่านเล่าให้เราฟังห่อเวลาเราเอ่ยเ ร, อเรื่องเรื่องเลวๆ เ, เนี่ย โยมกับใครโยมกับชายตอนรวมไปถึงหาเว็นตาพีพระลูอกอ่าเราสมุนไพรโบราณใส่เว็นตาก็ทุกคนไงว่าเป็นตาขึ้นข้างบนหาไปสิเอาล่ะเป็นตาอยู่ที่ไหนพอไปยืนกระจกอ้าเวเป็นตาอยู่ข้างบนใครทําให้เราลืมชายตอนอย่าไปโทษเมียเธอเลยนะไม่ใช่ชายตอนนี่ทั้งหมดแล้วนี่เป็นทางนำสําหรับชีวิตของเรา อัลฮัมดุลิลลาฮ์เอาต่อมาครับอีกเรื่องหนึ่งก็ดอร็อ บ, บบีก็ดออาไตาตานีมินัลมุลกีเวลาพูดเรื่องดีนะให้โยมกับอัลลอฮ์นบีนบียูซุปโอพระผู้บริบาลของฉันพระองค์ได้ทรงประทานอำนาจบางส่วนให้แก่ฉันเห็นไหมพระองค์เนี่ยอาไตาตานีมินัลมุลกีให้อำนาจอัลลอฮ์ฉะนั้น ไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้ที่มันนั่งกันวันนี้พี่น้องเยอะนะนี่ไม่ใช่มาเองนะใครให้มาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอัลลใจต้องนึกแบบนี้อย่าเป็นเนึกว่าวันนี้บังเอิญไม่ใช่ไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกดุนยาใบนี้ท่า น, นคนที่มีความรู้เนี่ยต้องนึกนะอัลลอฮฺให้ความรู้กับฉันเนี่ยนาียูซุปนี่สอนเอาต่อมาครับ หวานลมตะนีมินตะวิลอะฮัดีและอัลลอฮ์ทรงสอนฉันเห็น ไ, ไหมโยงกับอัลลอฮ์นบียูซุฟเอ่ยเรื่องทำนายความฝันได้ใครให้ความรู้อันนี้ใครอัลลอฮ์สุบฮานหูวะจัดาเห็ไหมเอนเนี่ยจากอุนอานี่สอนเราหนึ่ง เรื่องความชั่วโยงกับใครใส่ตอนเรื่องความดีโยงกับใครโยงกับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาลาอัลลอฮ์ฮุอะลลอฮฺอ้าวต่ว่าฝานีา ه, าาน่มุสลิมนะียูซุ พ, พูดอีกโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันตายในสภาพเห็นย่างโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันตายในสภาพที่เป็นมุสลิมวัลฮิกนีบิสซาลีฮฺแล้วก็ให้ฉันโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันอยู่ใกล้ชิด กับคนดีๆอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอจากใครอัลลอฮ์โยงกับอัลลอฮ์ให้หมดเลยอย่าไปโยงกับตัวตะเกียร์นะตัวตะเกียรช่วยอะไรไม่ได้โยงกับตัวระยองได้ไหมไม่ได้นั่นโยงกับอัลลอฮ์นั่นเรื่องดีโยงกับอัลลอฮ์เรื่องไม่ดียโยงกับชายต่อนี่ไงเอเมนอยงนี้ไอความรู้อย่างนี้เรืเร่ล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยนะนี่จะเรื่องใหญ่นะ พราะกูอ่านสอนนะกูอ่านเตือนใจเราแค่นั้นเตือนลูกเราบอกภรรยาเราอย่างวันนี้พอฟังท่านจะกลับไปบ้านนี่เธอพยายามโยงกระชายตอนเยอะเนี่ยอย่ามาโยองกับฉันละ่ะ <c oughs> บ้านสกปรกบวกกับพ่อบังนี่แหละโอ้โหโอยต้นไม้รกหน้าดูกับพ่อบังเนี่ยอย่าอ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยไปต้องไปใจโทษชาตอนบ้างเห็นไว้ถ้าโทษชาตอนทะเลาะกันไหม ไม่ทะเลาะ ก, กันวันนี้เราเล่นโทษกันเองเนะ่ยแยมองหน้าเราชี้หน้ากันเราทะเลาะ ก, กันในวันนี้พี่น้องอต่อมาครับตัวลงว่าไงนะอายาที่หกสิบสามเนี่ยดีนะนะวัตตะคาซาบีลลห์ฟิลห ح ر กาจบะและปลาอ่า หาทางลงทะเลไปลยอย่างแปลกถามว่าปลานี่มันฟื้นขึ้นมามันฟื้นเองหรือไม่ใช่ใครให้ฟื้นอัลลอสุบฮานาูตาลาให้ปลามันฟื้นขึ้ น, นมานี่เป็นโมจิจาตอันหนึ่งทุกนบีอัลลอให้เห็นหมดเลยฉะนั้นตกลงว่าจากอายานี้แสดงว่าไงนะจะเดินทางไปไหนมาไหนควรจะมีขจาวะซารอใช่ไหม ให้มีสเสบียงให้มันพร้อมอมีเงินพาสปอร์ตก่อเสบียงใช่ไหมตั๋วติกเก็ตสเสบีย ง, งเงินเสบียงแล้วก็มีบารปุนบา ท, บาทนี่ไปรูดเงนินตามนี่เป็นสเสบียงทั้งหมดต้องไปต้องพาให้พร้อมเหมือนนบีมูซาพาปลาไปด้วยเป็นอาหารสำหรับเดินทางนะมีเรื่องหนึ่งนะเรา จ, จะต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุพรรณหวัวตาแหละ <c oughs> ไอ้การลืมนั่นเป็นของใครนะเป็นของใส่ยตอนั h uh a m d u l ล l l a h อ่าต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะ64กอลาดาลิกะมากุนนาบบรีมากุนนาบบรี และเขานาบีมูซาเขาได้มาถึงนบีมูซากุลอ่านไม่ได้บรรยายแต่อลมะอธิบายให้เราเข้าใจนบีมูซาพูดว่าไงนะซาลิกาที่นั่นแหละที่ที่เราไปนอนเอาหัวพิงหินแล้วก็ที่ท่านเห็นปลามันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ดิ้นหาลงขาลงทะเล และที่ท่านลืมเล่าเรื่องปลาให้ฉันท่านเห็นว่ามันประหลาดนะที่ตรงนั้นแหละเป็นที่ที่อัลลอฮ์สั่งฉันให้ไปรออยู่ตรงนั้นจะพบกับอาเ ล, ลมอุลามะอีกคนหนึ่งที่ดีกว่าฉันก็ทำไงเลื่อนผ่านมาแล้วนะ่ะมาตุนนาบบรีทิ่นบรอนา บ, บรีใช่ไหมใช่ที่ตรงนั้นแหละเป็นที่ที่เราตามหา นาบอกรีบาวดที่เราตามหาอุษาเดินออกมาจากบ้านเนี่ยพาอาหารมาด้วยแล้วก็ชวนท่านมาเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อจะมาหาอาเลมุลลมะมาหาความรู้ตรงนี้อธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้การเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้เป็นอิบาดะนี่คำเดียวนี่เลยเจะทนั่นคนที่ออกจากบ้านเดินทางมานั่งเรียนตับเซ ท, ทิมัสยิดเป็นอิบาดะ โอ้โหพี่น้องเห็นยังอัลลอฮ์พอใจไหมพอใจขดดิษบนหนึ่งในบีสอนอย่างงี้คนที่ออกจากบ้านของเขาเนียดตั้งใจจะหาความรู้เกี่ยวกับศาสนานะไอ้ดุนยานี่มันเยอะอยู่แล้วเรื่องศาสนาเนี่ยคนสอนก็น้อยใช่ไหมมาสแสวงหาความรู้หนึ่งอลัลลอฮ์สัฮันลลอฮูลหูตอที้กอนอีเลนจันนะอัลลอ์ะจะเปิดทางง่ายสะดวกแก่คนคนนั้นนะ่ะ ไปสวรรค์ไง่ายไปนรกยากให้ไหมฟังศาสนานาบีมูซ่าทำไมต้องเลือกเดินหาความรู้ไปหาอุลมามะต้องการจะสอนพวกเราวันนี้เหมือนกันอย่างกับ น, น, น, นบีมูซาน่ะเป็นนบีชั้นอวุโสใช่หรือไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่มากเลยนะตาแหน่งสูงมากใหญ่มากยาอัลลอฮ์ให้ความรู้กับฉัน โดยไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยทำได้ไหมได้แต่ทำไมนบีไม่ขอยอมเดินทางนี่ไงนบีมูฮัมหมัดมาอธิบายต่อการเดินทางหาความรู้จึงเป็นอิบาตัดชนิดหนึ่งอิมามบุคอรีอาจีะต้องศึกษาไปอีกอิมามบุคอยดีบ้านอยู่รัเสเซียเรามาเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศบ้านช่องไม่ได้กลับ ต้องเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้ในกลุ่มอาหรับไปพบกับอาเลมอลมะเพื่อไปศึกษาหะดีษจนกระทั่งได้หะดี์บุคอลีมาเล่มหนึ่งประมาณ6 0พ0กว่าฮะดีษนะนั่นเป็นอิบาดาห์ทั้งหมดเลยฉันมีลูกมีเต้าส่งหลาส่งลูกประเทศสุทในมาเลเซียเนเธให้ดีทำเรียนเพื่อเอาลกลับมาสแสวงหาวิสกีเพื่อให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองไม่ต้องมานั่งของ ขอบริจาคจากใครทำเพื่ออัลลอฮฺเป็นหนทางกันละทั้งหมดแต่นี้คนที่เดินทางจะส่งลูกสาวไปเดินทางนะ่ะที่นบีห้ามนะ่ะห้ามเดินทางคนเดียวห้ามเดินทางคนที่ผู้หญิงนะ่ะลูกผู้หญิงนะ่ะเนี่นะห้ามเดินทางคนเดียวฉะนนวิธีที่จะปกป้องไม่ให้อัลลอฮฺโกรธพอ่อนั่งเครื่องบินไปส่ง พอไปส่งเสร็จเข้าโอภพหอภาคเรียบร้อยพ่อกับบินกับพาออยู่ตรงนั้นมีเพื่อนเห็นไหนะ่ะเพื่อนต่างเยอะน่ะเป็นร้อยเป็นพันจะมาอยู่กันก็ไปโรงเรียนกันพร้อมๆกันปลอดภัยเห่นไหมเพื่อไปเรียนหนังสือวิชาความรู้ในต่างประเทศพ่อในเมืองไทยบางทีมันมีฟิตรณะเยอะไปอยู่ในถิ่นมุสลิมจะได้ปกป้องาศาสนาได้ปกป้องตัวเองได้ได้เห็นผ้าคุมยุงยิยาเห็นไหมจะได้รักษ า, าศาสนา เป็นผลบุญรางวัลเป็นของดีทั้งหมดเลยขอให้เราได้ตั้งใจทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องนะกอลาดาลิกะมากุณนานบรปนบีมูสาบอกวันที่ตรงนั้นแหละเป็นที่ที่เราตามหาดังนั้นฟารตัดาลาอสาริฮิมาทั้งสองจึงหวนกลับ อิจตัดดาแปลว่าอะไรนะอย่างคนที่ตกตกตกมุตตัดเนี่ยคํานี้แหละแต่คำเดียวกันขวนกลับไปอยู่ในสภาพเดิมหันมาเรียนอิสลามมารับอิสลามนีมนของดีอยู่แล้วแต่อิจตัดดากับสภาพไปอยู่ในสภาพเดิมดีไหมไม่ดีแต่มั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทีนี้นบีมูซากับนบีคอดิษไม่ใช่คอดิษนะไม่ใช่นบีนะไม่ใช่นบี ที่ผมจะยินพวกเราพูดน่ะนบีคอดิดนะพิษที่ถูกเป็นแค่เป็นอาลิมเป็นวาลีเป็นคนดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คุ้มครองเขาไม่ใช่เป็นนบีในตัสซิดอธิบายบอกว่าวะเจฮะบักกซีรุมอิลาอันนหูลมยักุนนบียันบัลกานนวาลียันอิบนุกะซิดอธิบายบว่าคอดิดคิดร นบีขอดิดเนี่ยไม่ใช่เป็นนบีแต่เป็นวาลีเป็นคนที่อัลลอฮ์คุ้มครองเป็นคนสำคัญเป็นคนดี อ, อินดารัซซาริอัลดีไลล์เปนักวิชาการด้านศาสนาเขาลงความเห็นว่าคอดิดไม่ใช่นบีแต่เป็นคนวาลีคนดีคนสำคัญมีความรู้ เพื่อจะสอนนบีมูซาอะลฮิสาลามอ้นานบนอนกฝั่ตาเดาอาซาหิมากอซทั้งสองคนจึงหวนกลับตามรอยเท้าอาซาตอาซาแตแปลว่ารอยเท้ากสอซแปลว่าพิซซาสวัสเดิมเดิมเดิมอา ตามรอยเท้าเดิมที่ผ่านมาพยายามอ่านสอนดีทะเลทรายมันดีอย่างเวลาเดินไปไหนมีรอยใช่ไหมรอยรอยรอยเดินกลับทางรอยเดิมที่ผ่านมานั่นแหละเดี๋ยวก็เดินไปถึงที่ที่ไปลืมปลาลงทะเลตรงนั้นแหละก็เดินกลับไปที่เดิมนั่นมาแล้ววันกับคืนนึงอะสมัยนี้ก็ใช้เครื่องบินใช้วลาแ ล, แลสมัยก่อนอใช้ เดินอะเห็นยังเนี่ยต้องการจะบอกว่าการแสวงหาความรู้ต้องลําบากทีนี้ลําบากนะคิดยังไงอ้าอย่าเอาลออฉะนั้นคนระหว่างเดินทางนะขอดูอาอัลลอฮฺรับบนเลยยิ่งเดินทางเท่าไหร่ยิ่งเดินทางลําบงลำบากบ้างอย่าเอาลออีกเมียฉันนะไม่ค่อยนมาสคบอย่าเอาล่อให้เมียปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ้เมียไม่สบายอย่าเอาล่อให้พระยาเจ็บหา ขอทูอางตะวานเดินทางดีมากๆเลยออย่างนี้เป็นต้นดังนั้นได้ข้อคิดเยอะจากการเดินทางคนจะเป็นผู้นาคนต้องเดินทางเยอะๆนะอิหมามอบูฮานีฟ้าว่าคนจะเป็นอิหมามเนี่ยต้องรูปต้องรอด้วยนะรูปรอด้วยหนะ้าตาดีด้วยและรวยด้วยอย่างดีใหญ่รวยจะขี้เหนียวก็ไม่ได้ด้วยต้องอะไรนะสปอร์ต <laughs> ใจกว้างทําบุญบริจาคและเดินทางเก่งๆพี่น้อง ก็ประสบการณ์ชีวิตเยอะกับมาก็มาสอนในการพี่น้องได้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเดินทางดีไหมดีสแสวงหาวิชาความรู้ออกเดินทางดีไหมดีที่นบีสอนนะคณะที่ออกเดินทางไปหาความรู้เนี่ยนะปลาในมหาสมุทรขออุทิศให้ต้นไม้ที่เราเดินผ่านขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้เขาเห็นไ้ยก้อนหินเล็กๆที่เราเดินผ่านหรือก้อนใหญ่ๆก็เหมือนกัน ตามขออภัยโทษให้กับคนที่ออกจากบ้านไปสแสวงหาวิชาความรู้ด้านศาสนานะเพื่อมาปรับปรุงหัวใจตัวเองอย่างนี้ได้ผละบุญตอบแทนจากอัลลอฮสุ้านะฮูวาตนาละอัลลอฮพี่น้องครับอในตัฟซีดอิบตุกะซีอธิบายอย่างนี้เมื่อเมื่อนบีมูซากับใครนะกับยูชะบบนูเนี่ยกลับมาที่เดิมมาถึง ที่เดิมที่ปลามันฟื้นแล้วก็หาทางลมทะเลเนี่ยฟาอิซารยูลุลมุซัจญาบิซาวินพอไปถึงตรงนั้นไปเจอคนคนหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งนอนห่มผ้าอยู่นอนห่มผ้านะฟาสัลละมามูซา نبي มูซากะอัสลามุอะลัยกุมเห็นอย่างนี้มรารยา์ของคนที่เป็นมุสลิม نبي มูซาเป็นมุสลิม สมัยนูน่นนะเฮ้ยให้สลามอัสสลามมาเลยกลุก่มจะนั่นอย่าคิดว่าสลามมีพ่อในกลุ่มพวกเราพี่ในสมัยนบีมูซาแล้ฝรั่ง ล, ลมะมาให้สลามนี่ฮะดิษนะให้สลามกับนบีใครนะนบีขอดิษที่นอนอยู่ฝรั่งลคขอดิษอดิษก็ตอบว่าไงนะว่าอันนี้เอารดีกับสลามท่นก็พอใจกับการให้สลามของท่านครับฝรั่งละ เบีมูซาแนะนําตัวนะอาณามูซาเห็นไหมการแนะนําตัวเองนี่สอนต่ออีกการแนะนําตัวเองเป็นเรื่องดีฉะนั้นเราจะไปไหนก็ตามผมมาจากพระขนม ค, ครับไอ้เงียก่อหลายคนบวชชมาจําของเก็จจตจ่ายจักรมุขฟ้าม า, ารุจักรู้จักเบาวไปอย่างน้อยก็พักพวกเอเจอพวกแล้วไอ้นี่เองน้องสซราวได้มาคบไม่เขาโ ม, มยของอห้ามดูลินแ ล, ล้ว ATO MAKAP ANAMUSA FAKOLA MUSA BANI ISRAEL NA n a b i e i d e ถามว่ามูซาเนี่ยจากกลุ่มบันีอิสรอลใช่ไหมก็หละนาใช่ใช่ใช่เห็นไหมเพราะมูซามันเยอะมูซามูซามูซาไหนออมูซาจากบันนีอิสราอลใช่ไหมบอกใช่ก็ละนบีมูซาแนะนาเลยอาไตตูกา ฉันมาวันนี้มาหาท่านน่ะลิทัวลิมานีเพื่อให้ท่านนั้นสอนฉันอัลลอฮ์ให้ไหมพี่น้องมิมมาเอาลิมแต่รุษดาความรู้ที่ท่านได้รับมาจากอัลลอฮ์เห็นยังโยกับอัลลอฮ์หมดเลยท่านเนี่ยมีทางนํามีความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์จากอัลลอฮ์ที่อยู่ที่คุณเนี่ยถ่ายทอดให้ฉันด้วย นบีมูซาแนะนำเข้าใจง่ายพี่น้องฉันมาหาคุณเลยนะลิตวะลิมานีเพื่อให้ท่านเนี่ยสอนฉันนี่เป็นความเป็นแนวสำหรั บ, บพวกเราว่าถ้าต้องการจะไปหาความรู้ต้องใช้ภาษานี่เนเพราะที่สุดแล้วก็ด้ตับซีดภาษาอูรดูอธิบายบอกว่าทำไมนบีมูซาเนี่ยเป็นคนอุลามาไม่ใช่เป็นนบีระดับสูงทำไมพูดจาดี ทา่าผู้จจดีไม่ตะกลับบุญไม่เยียยิงฉันมาหาท่านเพื่อให้ท่านสอนฉันนี่ภาษานอบน้อมไหมนอบน้อมและทมอมโต้นี่แหละเป็นมารยาทที่อัลลอฮฺพอใจแล้วก็เอาแนวคิดตรงนี้เนี่ยมามาใช้กับชีวิตของเราจากนั้นเราต้องสแสวงหาความรู้ทำความรู้ต้องเรียนเรียนกีน่วันเรียนจนกว่าจะอะไรจะตายไม่มีวันจบเพราะเพราะว่าเราเนี่เรียนใบลืมใบใช่ไม่ใช่ มา ต, ต้องเรียนจนตั้งตายจะตายเรียนต้องตายเลยพี่น้องถ้าเรียนแล้วไม่ลืมดีไหมดีต้องขอดุบายอัลลอฮฺอัลลอฮฺอย่าให้ฉันเป็นคนอะไรนะแกแก่ที่ความจําไม่ดีขอเลยอัลลอฮฺอย่าเป็นต้นนะครับอลอได้ความรู้เยอะพี่น้องครับอ่าต่อมาอายาที่หกสิบห้าในพี่น้อง ฟาวาดาอับดา ม, มินไอบาดินาและเมื่อไปถึงวาจาดาเนี่ยเขาสองคนนั้นได้ไปพบวาจาดาวาจาดาแปลว่าพบเมื่อไปถึงที่ที่ตีปลามันดิ้นหาทางลงทะเลพอไปถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยพบใครอับดันพบบ่าวคนหนึ่ง มินไอบาดินาบาวคนหนึ่งนะจากปวงเบาของเราทำไมอัลลอฮ์ใช้เขาว่ามินไอบาดินาตัฟซีาอธิบายบอกว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์ใช้ไอบาดินาเป็นบาวคนหนึ่งของเราเนี่ยเป็นการยกเกียรติเป็นการอิครอมเป็นการให้เกียรติถ้าอัลลอฮ์พูดว่า ไอบาดินาไอบาดุนาท่านนเป็นบ่าวของเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะยกเกียรติคนคนนั้นอีกรออัลลอฮ์อัลกบะตเนี่ยท่านนบีฮิดดอดรู้คงดีใจนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนีเล่าเรื่องของฉันนะกับพิอัลกุรอานให้มูฮัมหมัดฟังอัลลอฮ์ยกย่องฉันนะมินไอบาดีนาตอนนี้นบีเขาด้ตายหมดแล้วก็ไม่รู้ด้วยอัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังใช่หรือไม่ใช่ นี่เพราะละอัลลอฮฺจะเล่าเรื่องเก่าให้แต่เบลหมดความทั้งหมดอนะ่ะนี่ท่านน บ, บีมูซารู้คุณจะดีใจนะน บ, บีขิเดเยครู้คุณจะดีใจอัลอลอฮฺอัลลอฮฺยกย่องฉันนะมินไอบาดีนะให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวคนหนึ่งของเราอัลลอฮฺคุณจะดีใจเยอะนี่แต่าหากว่าเรื่องอนาคตเราไม่รู้นะถ้าเราจะเล่าเนี่ยนี่พวกของเคสเนี่ยมานั่งเรียนาศาสนากันทำจนจะเอ้ยสักวักหนึ่งดีใจไหมอลัลลอฮฺ นําจากคุณเฉลิมเราหมดโอ้อหดีใจถ้าเอ่ในในในคัมภีร์หนังสือเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดีภูมิใจจะมีตตอ้าวต่อมาครับฟาวะจาดาอับดัมินไนบะดีนาแล้วเมื่อไปถึงที่เราตามหาทั้งสองได้พบบาวคนหนึ่งตาม h a ดิษเขียนว่าคอดีรุ่นชื่อนบีไม่ใช่นบีนะเป็นวาลีคอดีอ่า จากบวงเบาของเราอาใจนาหูซึ่งเราได้ประทานอ่าพี่น้องราะมัตันความเมตตาของเราแก่เขาใช่ไหมอัลลอฮ์ชมชมนบีคอนิดบอกว่าเราได้ประทานอะไรนะราะมะความเมตตาให้แก่เ บ, บาวคนนี้ที่นอนห่มผ้าอยู่คนนี้ ให้กับคนคนนี้และนบีมูซามาพบเห็นนะอลัลลอฮ์จะเลาว่าอัลลัมนาหูและเราได้สอนเขาว่าอัลลัมนาหูและเราได้สอนเขามิลลาดุนาอิลมาลาดุนาแปลว่าจากเราลาดุนาเนี่ยแปลว่าจากเรานะอุลามะอธิบายคํำว่าลาดุนานี่นะ อัลลอ์ให้กับบ่าวคนหนึ่งโดยไม่ต้องเหนื่อยโดยไม่ต้องแสวงหางนาบีมูซาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้แบบแสวงหาใช่ไหมต้องออกเดินทางหาอีกคนหนึ่งขอดิษเนี่ยให้ความรู้ให้นบีมูซามาหาความรู้ที่คอดิษได้รับเนี่ยไม่เหนื่อยอัลลอ์ให้ตรงๆเลย บอกว่าให้ให้อิลามใหมเลยจะได้ความรู้ ม, มีสองอย่างเราต้องขอบคุณอัลลอ์นะบางทีอัลลอฮ์ให้เรานอนดึกดึกฝันขึ้นมาเฮ้ฝันดีไงอ๋อนี่แหละนี่แหละไม่เหนื่อยไม่ต้องเสแสรงหาไม่ต้องเดินทางใสป่ปลาหาปลาหานั บ, น บ, บอีคนดคนไหนแต่อัลลอ์ให้อิลา a m กับใครน บ, บีคนในอัลมาคนใดคนนี้ อับดมุซาร์นเหนื่อยคอดิษไม่เหนื่อยเห็นไหมเพราะอัลลอฮ์เล่าเองอะ่ะว่าอัลลัมนาหูมิลลัดุนนาอิลมาและเราได้สอนเขาซึ่งความรู้จากเราไอ้ให้แบบนี้ก็อยากให้โดยไม่ต้องเรียนไม่ต้องอิคติซาบไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องเข้าโรงเรียนไม่ต้องฟังทีอมทีวีหรือไม่ต้องฟังวิทยุ เอารออยู่อัลลอฮ์อิล ham ห้เลยนบีมูฮัมมัดก็ได้โดยไม่ตำเหนื่อยเหมือนกันอ่าใช่ใช่ประทานความรู้ไออันนี้ถูกต้องเลยเ่ราว่ความรู้มีสองอย่างนะหนึ่งได้มาเพราะความเรียนสองได้มาโดยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิล ham ไปเลยนอนอยู่บนที่นอนแล้วปื๊ดได้มาเลยอัลลอฮ์นั่นกนไอ้ความความฝันเนี่ยฝันดีมาจากใครอัลลอฮ์ฝันไม่ดีโยงใคร ใ่ตอนและไอฝานพอเราคิดเองเยอะๆ น, ะนั่นก็มั่วแต่งี้เป็นต้นนะอายาดี่สอนนะสอนอย่างนี้อินทรลาหลิมคนรู้ทั้งหลายที่อยู่ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะคนที่ว่ามีความรู้เยอะ ๆ, ๆนี่นะจะรู้วิชาสาขาต่างๆก็ตามแต่เขายังไม่รู้ในบางสาขาเฉพาะทางเขาไม่รู้ เห็นยังต้องการจะเตือน อ, อุลมะผู้อา่านกุรานเนี่อย่างเราเนี่ยเรามีความรู้แหละแต่ความรู้ที่เราได้มันมีแค่สามสาขาอีสาขาอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยความรู้ที่จากคุร า, อานอะยางนี้ฉะนั้นเรื่องนวดแผนโบราณเราเป็นไหมไม่เป็นอท่านนวดนอเจ็บหลังเอาไปสามรอยเห็นไหมอี ได้ความรู้ด้านนี้นะขาดด้านนี้ฉันคนต้องอาศัยซึ่งกันแล้วกันไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันขออุอมให้กันมีเงินมีทองก็กช่วยกันมุสาอาดาการ น, นี่มาจบได้จะกุรอ า, านดะนั้นอะไรก็ตามที่เราทําวันนี้ถ้าโยองกับกุรอ า, านได้อายาไหนอัลลอฮ์เราในบางคนนี่มีบร า, าระกัดย่อัลลอฮ์ฉันทําเนี่ยตามอายากุรอ า, านหกสบห้าน่ะอากสิบ้านะเพียงันนี้อุสาเดินมาหาคนนี้ น อ, น, อนอ ม, อมน้อมถ่อมตนตามนาบีมูซาอะเลฮิสลาห์ท่านมาสอนฉันน่อยท่านมาบีบดฉันหน่อยให้ตั้งสามรอยเอาอายาเนี้ยมาอธิบายตัวเองโอ้โหลนี่ค่ะคุณอ่านสอนทุกเรื่องอ่ะแต่เราเองไม่รู้ทุกเรื่องเอาต่อมาอายาที่ละละละหกสบหกกอลลัลฮูมูซามูซากล่าวกับกล่าวกับใครนะ กลาวกับคอดิกอละลาหูมูซาดูสิภาษาที่นบีมูซาพูดกับอาเลมอัลละมัที่ชื่อว่าขอดิษที่อัลลอ์สั่งให้ไปหาเนี่ยพูดว่าไงฮัลอัตต์บิอากะฮัลอัตต์บิอาูะลันตุอัลลิมนีฮัลอัตตบิอกไปว่าอะไรนะ จะให้ฉันติดตามท่านได้ไหมภาษาเพราะไหมเพราะมากเลยในกุ่งอาเลนะเอาลอนเล่าแล้วฮัลอัตตาบียูกจะให้ฉันเนี่ยติดตามท่านได้ไหมอุลมามะอธิบายว่าระดับเป็นนบี<ม>ฉ่านอาวูโสมีความรู้อย่างดีเวลาไปหาคนที่อาเลมกว่าใช้ภาษายัางไงฮัลอัตตาบียูก จะให้ฉันเนี่ยติดตามท่านได้ไหมเป็นการการขออนุญาตไม่ใช่ไปแบบตกำบดเฮ้ยสอนกูหน่อยโอ้โหชาภาษาอย่างงี้กูไม่สอนกูไม่ว่างแต่ภาษาเพราะไหมเพราะจะให้ฉันติดตามท่านได้ไหมอลออาตวัดอาต่อมาอาลันตัวอลเมานีเพื่อท่านจะได้เพื่อท่านจะได้สอนฉันเห็นไหม อาลาอันตัอัลิมานีเพื่อให้ท่านนี่มาสอนฉันนอบน้อมท่อมตนในภาษาอูดูเขียวนว่าไงนะเบีาด<ม>บัอา ด, ด, ด้วยมารยาทที่งดงาม อ, อัลลอฮฺเราอะไปเนอะจะมีตำแหน่งแค่ไหนก็ตามะถ้าเราไม่รู้ของที่เราไม่รู้จะไปหาคนที่เหนือกว่าด้านความรู้ด้านสาขานี้นะ ต้องพูดนอบน้อมแล้วก็ถ่อมตนเหมือนใครเหมือนนบีมูซาอไลฮิสลาฟมิ ม, มาอุลลิมตารุชดาตามที่ท่านได้ถูกสอนมามิ ม, มาอุลลิมตาตามที่ท่านได้ถูกสอนอุลลิมตาเป็นมาจุหนยนยะถูกสอนรุชดาแปลว่าตามที่ท่านได้ถูกสอนรุชดาแปลว่าเที่ยงตรง เที่ยงตรงอธิบายยังไงความดีงามหรือสัจธรรมหรืออัลฮัดที่อยู่ที่ตัวของท่านเนี่ยถ่ายทอดมาให้ฉันที่อัลลอ์ให้กับท่านโดยท่านไม่ได้เหนื่อย เ, เลยนะเห็นไหมเนี่ยทำให้เรานอบน้อมถ่อมตนตอลอดอย่าลืมนะภาษาก็สำคัญท่านคุยกับภรรยาคุยดีๆเข้าสาหูงอาหารเนี่ยเราคิดมันก็เหนื่อยอยู่แล้ว กูแดกไม่ลงพูดทําไมก็พูดจะแกงเธอเนะ่ยอร่อยจะขอสายน้ําตาลหน่อยได้เขาก็รู้อ๋อนี่มันเค็มไปนี่พออาหารเธออร่อยหายน้อยหายเหนื่อยอุตสาเก็บเนื้อกุบาลเอาไว้ใส่ตู้เย็นเอาไว้พอหันหันให้แล้วก็ชมอาหารเธออร่อยนะนา่งก็นึกอีกเดี๋ยวว่าหลังต้องทําให้อีกเพราะถ้าพูดดีแต่พูดไม่ดีก็มึแดกครั้งเดียวโป๊ ที่เหลือไปหากินตลาดไหมพูดจาดีๆอัลลอ์เนี่ยแค่ไปหาความรู้เนี่ยพูดจาดียังเราก็เอาความรู้ตรงนี้มาพัฒนาตัวเรานะพี่น้องท่านอิบนะอับบาสอธิบายต่อนินดนึงนะน บ, บีมูซาเนี่ยมาจากบันีอิสรออลซาอัอลลอบอบุคับอธิบายนะขอดุอาต่ออัลลอ์มีสอง สองรายงานรายงานหนึ่งเนี่ยบนสถามน บ, บีมูซาบอกว่าคนที่รู้อเลมมีใครบ้างฉันภาษานี้อัลลอฮ์ก็ไม่พอใจนะเลยให้น บ, บีมูซาเดินเดินหาหาขอดิษอีก้อดิษหนึ่งอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์น บ, บีมูซานี่ขอดูอาต่อลอเองฟัะกและเอะรอบบีคนที่ เบาของท่าน่ะมีใครบ้างไหมที่สามารถจะแนะนำฉันให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ฉันนบมูซาขอดุอาไม่ใช่บันิ อ, อิสรออินถามใช่ไมนอีกอัดัษนึงอธิบายบว่าน บ, บีมูซาเองขอต่อบยาอโลหาคนที่มีความรู้เหนือกว่าฉันมาแนะนำฉันสอนฉันทว่าเราเคยขอเป็นปางนี่นะคนไม่เคยขอก็จะคนใจดำ นั่นต้องขอยาวล้อให้ใครที่ดีกว่าอัเลมกว่านะ่าเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านได้ไหมมาแต่งงานกับลูกสาวใครในหมู่บ้านเนี่ยฉันจะได้มีโอกาสได้ฟังศาสนาโอโลัลลอฮ์มันต้องขอแบบนี้อ้าวนบีมูซาขอถูอ่ฟัดุลลานีโปรดชี้นําให้ฉันหน่อยฟะก็และละหุละนามฉันจะจัดการให้เฟียอิบ่าดีคนที่เป็นบ่าวของฉันที่มีความรู้มากกว่าท่านเนี่ยก็แนะนําบอกว่าให้ไปที่นี่ไง ในที่ที่มัชมาอัลบหฮรอยนี่สองชุมทางแห่งสองทะเลที่ท่านไปจะไปพบคนที่มีอาเลมอัลมะมีความรู้เหนือกว่าท่านไปตรงนั้นฝ่าข้อรัจญนบีมูซาเมื่อเมื่อได้อิล h ามจากอัลลอฮ์มาก็เดินทางพอเดินทางไปก็หวัวมะอาฮูมีคนใช้ไปด้วยแล้วก็มีปลาใส่เกลือทอดเรียบร้อยแล้วพาไปด้วย กอดดักรีแหละนมีคนพูดออกมาปลาตรงปลาจะคุณพาไปนะพอไปถึงตรงนั้นนะปลามันจะเป็นนะพอปลาเป็นเนี่ยเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าที่ตรงนั้นแหละจะพบกับอุลมามะคนหนึ่งเห็นไหมเอารอเห็นยังอะ่ะเอาปลามาเป็นเครื่องหมายนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อเราชายชายชายปัญญาวันนี้อัาทำได้แล้ว ทีวีเรามีใช่ไห ม, ไหมอ่ามัชมาอันบารอยหรือเปล่าเนี่ยสองชุมทางทอะไรนะชุมทางแหงสองแหงสองสอ ง, สองทะเลมาพบกันใช่ไหม <section> มันต้องมีอะไรหลายหลายอย่างมารวมกันใช่ไหมกลายเป็นช่องทีวีอะไรขึ้นมาเดือนละสองล้านถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากมันมีประโยชน์นี่มีประโยชน์จากการที่เนั่งฟังาศาสนาเนี่ยทำดูนี่เลยทำดูำดเลยอ้าวต่อมาครับพี่น้อง นบีมุญหะจันนบีขอดิษต์อบว่างไงนะอายาที่หกสบเจ็ดกอลอินนาการันตัสตติยะมาอิยาสบโรเขากล่าวว่ามาถึงคอดิษต์กล่าวว่างไงนะแท้จริงอินนากาแท้จริงท่านเนี่ยลันตัสตตียะไม่สามารถ มายซบรอที่จะสบัดอดทนมีความอดทนมายร่วมกับฉันได้คอดีบอกว่ามูซาท่านเนี่นะไม่มีความสามารถที่จะอะไรนะร่วมเดินทางกับฉันได้เดี๋ยวอายาต่อไปจะอธิบายน บ, บีมูซาค้านสองสามเรื่องถามว่าค้านทำไม ต้องการจะบอกอธิบายก่อนเนนะต้องการจะบอกให้รู้ว่าคนที่มีวิชาความรู้ด้านชริอะมันมีความรู้ด้านดุนยากับชริอะใช้มาอย่างนะคนที่มีความรู้ด้านชริอะเนี่ยเวลาเขาเดินทางไปไหนก็ตามเห็นพบอะไรที่ทำอะไรขัดกับชริอะอุลามาคนนั้นจะนิ่งนั่งเฉยๆไม่พูดได้ไหมไม่ได้เ ข, ขาก็คาดท่านทำไม่ถูกนะอันนี้ผิดนะ นี่ไงนี่ต้องการจะบอกท่านคนที่มีความรู้ด้านสัจธรรมไปเดินทางไปกับไหนกับใครก็ตามถ้าเห็นคนในกลุ่มทำผิดต้องอะไรเตืนอนอ ด, ดีนุนนะซีฮะศาสน า, า, าคือการเตือนกันแต่นี่เวลาเตือนต้องเตือนดีนะต้องเตือนดีไม่ใช่ฮะโอ้โลมันต้องเตือนดีๆตวนเพราะเพราะ เดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนไปละกันอาทิตย์หน้าคงจะเรียนว่านาบีมูซ่าเตือนว่ายัางไงนบีข อ, อดิษทําอะไรผิดถึงได้เตือนทําไมไม่อดทนละ่ะเพราะคอดิษรู้แล้วว่าท่านเนี่ยไม่สามารถจะอดทนเดินทางไปกระชันได้เนี่ย เ, เป็นการสอนความรู้อีกหลายๆเรื่องต่อไปเอาไปน้องได้ความรู้จากอลกุรอานอายุนี่เล่าไม่หมดนะถ้าเอาคําภาษามาใช้อีกได้วความรู้อีกเราเองกันไม่ไหวอะไม่ไหวนะ ได้แค่นี้แล้ค่อยๆทำค่อยปปอธิบายไปละดุลนาเป็นความรู้ที่ได้มาจากอัลลอ์โดยไม่ต้องลงทุนท่านการแสวงหาความรู้มีสองอย่างหนึ่งลงทุนสองไม่ต้องลงทุนอยนน่นี้เจ้เนะสุภนอัลฮมะบัมดิลิลลอฮิลลอฮิลลอฮลลอฮิลลอฮิลลฮิลลิลลอฮิฮิลลลลอิลลฮิอิลลออฮิลลอฮิลลอฮิลออิลลอลลลอฮฮ